มาเคยถามหลวงปู่ดูลว่าจริงไหมท่านบอกตำราว่าอย่างนั้นนะแค่ตำรานะคือมีสมัยพุทธกาลจริงๆก็มีเรื่องพระนางเขมาท่านบรรลุพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นคารวานะนี่พระพุทธเจ้าก็ถามว่าจะาพิพิสานไม่จะให้บวชหรือไม่ให้บวชเพราะคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยสมควรอยู่สองอย่างถ้าไม่บวชก็ควรปรินิพพาน มันมันก็จะจับเอาประเด็นนี้มาเขียนขึ้นมาท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องป ร, ริญญาตรนะนะอย่าไปเรียนอย่างนั้นเลยเรียนให้มันเรื่องปฏิบัติดีกว่านะเรื่องนั้นเรื่องไกลตัวเถียงกันไม่จบหรอกนะเราไม่มีเคสสตั๊ดดี้ตัวอย่างให้ดูด้วยนะี่มีปัญหาที่สองก็คือว่าที่เราทำ เขาไม่ทราบเขไม่ได้รับไม่ได้รับเขาจะทราบได้เขาอยู่พบคนจริงคือมันจะมีพบที่ใกล้ๆกับคนนะคือพบของเปลทบางอย่างที่ใกล้เชียงอับความเป็นคนะแม้พวกนี้ถึงจะรับส่วนบุญได้มีพวกหนึ่งก็คือพวกญาติพวกญาติเราเองะเวลาตายแล้วก็รอรับพวกนี้คอยสนใจคอยติดตามดูว่าเราจะทําเมื่อไหร่นะ คนทั่วๆไปไม่รับหรอกนะรับไม่ได้หรือเขาไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดเป็นหมานี่รับไม่ไดนะ้เขาไปเกิดในภูมิที่สูงขึ้นไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็รับไม่ไดนะ้แต่เขาอนุโมทนาได้รเราเป็นคนถ้าเราคนนะเพื่อนเราไปทำบุญมาแล้วบอกฉันอุทิศ ส, ส่วนบุญให้เธอนะนะรับไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเราอนุโมทนาเนี้ยบุญเกิดจากตัวเราเอง ไม่ใช่เกิดจากเขาให้นะต้องอนุโมทนาเอาเพราะว่าก็จะสงสัยว่าถ้าเกิดอุทิศบุญกุศลให้ก็คือเราตอนนี้เราก็คือเราเสียจากชาติที่แล้วมาชาติทําทำไมเราไม่เคยได้รับบุญกุศลจากเขาอุทิศมาเราไม่รู้เราไม่รู้อย่าว่าแต่ชาติก่อนเลยนะในชาติเนี้ยคนเขาทาบุญเขาอุทิศให้เราเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่ได้อะไรหรอก เวลาน้อยนะพวกเราก็มาเยอะนะช่วยไม่ได้จริงๆเยอะเองนะมาพร้อมใจกันมาบางท่านมีปัญหามาเยอะเลยนี่พี่น้องผู้นี้มีเรื่องเถียงกันนะเถียงกันว่าก่อนจะปฏิบัติเนี่ยควรจะศึกษาซะก่อนไหมนะศึกษาเนี่ยก็คือศึกษาปริยัตนั่นเองนะถ้าจะตอบตรงไปตรงมาคือต้องศึกษา เพราะว่าเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเรารู้วิธีปฏิบัติด้วยตัวเองไม่ได้แต่จะศึกษาแค่ไหนต้องเรียนจบปริเชตที่เก้าไหมไม่จําเป็นไม่ต้องเรียนขนาดนั้นเรียนหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าวางไว้นะเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาศีลศิกฐ์ขาจิตสิกฐ์ขาปัญญาศิกฐ์ขาถ้าเข้าใจสามอันนี้เราปฏิบัติได้ ศีลเมื่อเช้าพูดไปรอบหนึ่งแล้วนะศีลไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดแตอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันนะมันมีศีลอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอินทรียสังวรอินทรียสังวรศีลศีลชนิดนี้คือความที่ใจเราเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำํำนะเวลาตาเรามองเห็นรูปผูเราได้ยินเสียงหรือใจเราคิดเนี่ยจิตใจเรามักจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมานะหน้าที่ของเราคือค่อยรู้ทันใจของตัวเองไว้ งันวิชาดูจิตที่หลวงปู่ดูลสอนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ศีลนะเริ่มตั้งแต่ศีล แ, และศีขาเลยอย่างท่านสอนตาเห็นรูปดูจิตตัวเองหูได้ยินเสียงดูจิตตัวเองใจคิดนึกดูจิตตัวเองพอตาเราเห็นรูปเนี่ยอย่างเห็นคนนี้เดินมาเราดีใจเห็นคนนี้มาเราเกลียดความยินดียินร้ายเกิดขึ้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติคือรู้ทันความยินดียินร้ายนั้น ความยินดียินร้ายนั่นจะครอบงำจิตไม่ได้จิตก็จะเป็นปกติหรือว่าจิตมันมีอินทรีย์สังวรศีลศีลนี้สำคัญนะสำคัญมากเพราะพอเริ่มต้นศีลตัวนี้ก็คือการมีสติละนะมีสติคอยรู้ทันใจซึ่งเพื่อจะเกิดปฏิกิริยาภายหลังการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนี่พอจิตใจของเราไม่ถูกกิเลสลากเอาไปแล้วจิตใจเราจะตั้งมั่น ใจิตใจที่มันไม่ตั้งมั่นเพมันถูกกิเลสยั่วเอาไปนี่เราจะเริ่มเข้าเรื่องสมาธิเรื่องของการสร้างสมาสมาธิเนี่ยเป็นบทเรียนที่ชื่อว่าจิตสิขขาคือการเรียนเรื่องจิตนะหลัจากเรียนเรื่องศีลแล้วเราจะต้องเรียนเรื่องจิตหลวงพ่อจะต้องไปเร็วๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเปิดโอกาสให้พวกเราถามบ้างการเรียนเรื่องจิตเนี่ยบางคนบอกไม่อยากเรียนเรื่องจิต อยากจะเรียนแต่เรื่องกายนะจะเรียนกายก็ได้แต่ต้องเรียนจิตสะกดเพราะบทเรียนที่สองของศาสนาพุทธนั้นชื่อว่าจิตตะศิขาเราต้องเรียนจกนกระทั่งรู้จักว่าจิตชนิดไหนเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฝ่ายกุศลนะต้องฝ่ายกุศลด้วยนะตั้งมั่นในอกุศลนี่ไม่ใช่จิตตะศิขาที่ถูกต้องล้วนะอยังจะไปดะยิงใครเขาเนี่ยจิตใจจดจอ่อมองไม่คลาดสายตาเนี่ย อย่างนี้มันตั้งมั่นในฝ่ายอากุศลใช้ไม่ได้นะสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ในฝ่ายกุศลนะโดยเฉพาะถ้าตัวสมาธิที่แท้ๆเนี่ยต้องตั้งมั่นอยู่ในการรู้อารมณ์รูปนามคือรู้กายรู้ใจด้วยไปรู้อารมณ์บัญญัติที่เป็นกุศลเนี่ยนะยังไม่ใช่ตัวสัมมาสมาธิแทนะ้เป็นแค่สมาธิธรรมดา นี่เราต้องมาเรียนจนกระทั้งรู้จักว่าจิตชนิดไหนตั้งมั่นชนิดไหนไม่ตั้งมั่นชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลนะต้องค่อยๆสังเกตจิตใจของเราถ้าเราละเลยที่จะเรียนบทเรียนอันนี้เวลาเราไปลงมือปฏิบัติเราจะจะพลาดได้ง่ายเพราะเวลาเราลงมือปฏิบัติทันทีที่เรามีสติกำหนดนะอย่างกำหนดลมหายใจกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องอะไรขึ้นมาเนี่ยทันทีที่กำหนดเนี่ยจิตของเรามักจะหนักๆแน่นๆแข็งๆทื่อ จิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ทื่อเนี่ยเป็นลักษณะของอกุศลจิตจิตที่เป็นมหากุศลจิตเนี่ยมีลหุตาเบามีมุทุตานุ่มนวลอ่อนโยนนะมีกรรมัญญาตาควรแกการงานไม่ถูกนิวรครอบงำอนะยังอยากปฏิบัติเนี่ยสู่กิเลสถูกนิวรณ์ครอบงำละนะจิตที่เป็นกุศลมีความคล่องแคล่วไม่ซึมไม่ทื่อนะมีปากุตา จิตที่เป็นกุศลจริงๆเนี่ยทําหน้าที่รู้อารมณ์อย่างซื่อตรงนะไม่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยเราต้องค่อยๆสังเกตให้ดีถ้าเราไม่รู้จักว่าจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลพอลงมือปฏิบัติเนี่ยเรามากักจะไปหลงสร้างอากุศลและจิตขึ้นมาจิตจะแข็งแข็งทื่อๆซึมๆนะเกิดจากโลภะอยู่เบื้องหน้าทั้งนั้นเลยคืออยากปฏิบัติอะอยากปฏิบัติแล้วลงมือจ้องลงมือกระทําความอยากปฏิบัติเรียกว่าตันหา การลงมือกระทําเรียกว่าพบเรียกกรรมาภพลงมือทํากรร ม, ม, รรมฐานนั่นแหละก็คือการสร้างพบขึ้นนันะ้นเบื้องหลังคือตัณหาผลของมันก็คือทุกข์นะี่เราต้องค่อยๆสังเกตนะในในหนังสือมีนะเดี๋ยวไปใครฟังไม่ทันไปอ่านหนังสือเอาต้องช่วยตัวเองเยอะๆหน่อยนะี่ถ้าเรารู้จักแล้วว่าจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลเราจะพบความจริงที่น่าตกใจ วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจิตของเราเป็นอกุศลเยอะเหลือเกินแทบจะหาจิตที่เป็นมหากุศ ล, ลจิตแท้แทแทบไม่มีเลยนะโดยเฉพาะจิตที่เป็นอโมหะไม่หลงนะจิตที่ไม่หลงนี่แทบไม่มีเลยนะกระทั่งปฏิบัติธรรมกระทั่งทํากรรมฐานมักจะหลงนะหลงปฏิบัติหลงทำจิตใจก็แข็งแข็งหนักหนั ก, นกแน่นๆ่นซึมซึ ม, ซมทื่อทขึ้นมานะจิตเราพลาดอันนะั้นต่อมาเราจะเรียนว่าจิตยังไงที่ตั้งมั่น จิตที่ตั้งมั่นนะคือสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นเราชอบไปแปลสัมมาสมาธิไปแปลสมาธิว่าสงบนะจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่สงบเนี่ยไม่เหมือนกันทีเดียวจิตที่สงบเนี่ยจิตมันไม่ดีมันจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีพามันมาอยู่ที่เดียวให้มันสงบนี่ได้สมถะนะได้ความสงบแต่จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเราใช้ในตอนที่เกิดวิปัสสนาเราก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่น ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าต้องรู้อารมณ์โดยที่จิตไม่หลงไปไม่ไหลไปไม่เผลอไปจิตของเราจะไหลอยู่แทบทั้งวันนะไหลตลอดเวลาเลยยกตัวอย่างง่ายๆเราเห็นคนเดินมาเราดูเขาถ้าเราสังเกตจิตเป็นเราจะเห็นเลยจิตมันไหลไปอยู่ที่คนนั้นนะข้างบ้านคุยกันเราอยากฟังจิตเราไหลไปข้างบ้านเราละนะจิตมันไหลไปทางสวรรค์ทั้งหกตลอดเวลา เวลาอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไปหลงอยู่ในความคิดสังเกตใครที่ดูออกแล้วว่าจิตที่หลงไปในความคิดเป็นยังไงจะดูออกใช่ไหมว่ามันไหลเข้าไปในความคิดทันทีที่มันหลงเข้าไปในความคิดมันจะรู้สึกตัวไม่ได้มันลืมตัวเองลืมรูปลืมน้ำลืมกายลืมใจังนั้นจิตที่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยไม่สามารถทํำมิปัสนาได้เพราะว่ามันลืมตัวเอง มันทิ้งรูปนามไปแล้วมันไปรู้อารมณ์อย่างอื่นไปรู้อารมณ์ปัญญัตินั่นแหละจิตไม่ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์รูปนามนี่พอจิตไหลไปหลงไปเราก็ไม่สามารถเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วเพราะเราไปอยู่ในความคิดอย่างบางคนบอกว่าอยากเป็นพระโสดาบันรู้ว่าเป้าหมายแรกของการปฏิบัตินะต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันละสกายยติฐิคือละความเห็นผิด ว่าขันห้าคือกายใจรูปนามเป็นตัวเราชื่อมันบอกแล้วว่าทิฏฐนะิคือความเห็นคือความคิดถ้าเมื่อไหรเราสามารถรู้สึกตัวทันทีที่เรารู้สึกตัวเราจะหลุดออกจา ก, กโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงนะเมื่อทันทีที่หลุดออกมาอยู่ในโลกของความจริงแล้วเนถ้าสติระลึกรู้รูปเนยะเราจะเห็นรูปปรมาสุขเห็นรูปจริงๆไม่ใช่ตัวเราล้ว สติรู้จิตใจจะเห็นอารมณ์ปรมัติงจริงๆไม่ใช่เรื่องความคิดล่ะเราจะเข้าใจรูปนามกายใจตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นท่านถึงสอนบอกสมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะเมื่อกี้ตอนช้าพูดไปอันหนึ่งแล้วนะว่าการจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเบื้องต้นหัดรู้สภาวะเนืองเนือง นะรู้รูปยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียดนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไปรู้นามนธรรมคือความรู้สึกทั้งหลายที่ไหลามาในใจไหลามาแล้วไหลไปไหลามาแล้วไหลไปนะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโปรดเดี๋ยวหลงเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายนี่มันไหลเข้ามาทางใจเรารู้เรื่อยเรื่รู้เรื่อยเรื่แล้วต่อไปพออารมณ์ที่จิตรู้จักแล้วเกิดผ่านเข้ามาเนี่ยสติจะเกิดเองเรารึกได้เลยพอสติเกิดขึ้นปับ๊บเนี่ยจิตจะเป็นกุศลอัตโนมัติเลยจิตจะมีความสุขนะ จิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีความสุขอยู่ในตัวเองนะเมื่อจิตมีความสุขอยูเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่กับตัวเองจิตไม่ถูกกิเลสลากเอาไปที่จิตถูกกิเลสลากไปได้เพราะมันเที่ยวไปหาความสุขที่อื่นนะมันไม่มีความสุขในการรู้ตัวเองแต่ถ้าเรามีสัมมาสติเรารู้ตัวเองแล้วมันเกิดความสุขขึ้นมาจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองถึง <larda> สอนกันบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ แรกก็จิตมันจําสภาวะได้นะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติพอมีสติแล้วจิตมันมีความสุขขึ้นมาความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินีสมาธินี่ถ้าเป็นสมาธิที่รู้อยู่ที่ตัวเองนะไม่ใช่รู้ไปที่อื่นนีสมาธิที่ตั้งมั่นรู้ตัวเองเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือพอจิตใจเราอยู่ที่ตัวเองเนี่ยมันจะคอยรู้ตัวเองไปเรื่อยๆในที่สุดก็เกิดความเข้าใจความจริงของร่างกายของจิตใจ การเข้าใจความจริงนั่นคือตัวปัญญาอย่างนีศีลสมาธิปัญญาเลยพวกนี้เกิดจากการที่เรามีสติทั้งนั้นเลยต้นทางของการปฏิบัติเนี่ยคือการคอยตามรู้กายตามรู้ใจตัวเองบ่อยๆแต่อย่าดักไว้ก่อนนะอย่างนี้ผิดนะอย่าจ้องอย่าตั้งใจตั้งใจนี่เราโลภะขึ้นนำหน้าของการปฏิบัติละ นี่พอเราจิตใจเรารู้ความจริงแล้วว่าอ๋อกายนี้เป็นอย่างนี้เองกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะกายนี้เป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุกายนี้เป็นรูปธรรมไม่ใช่ตัวเรานะถ้าฝึกแล้วมีความรู้สึกตัวขึ้นมานะใครก็ตามเถอะถ้าเรียนการอาตมาแล้วอาตมาบอกว่าจิตตื่นขึ้นมาแล้วคนนั้นหมายความว่าคนนั้นรู้สึกตัวเป็นแล้วรู้ออกมาจากโลกของความคิดแหละนะถ้าคนนั้นมารู้ที่กายของตัวเองจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรา อย่ารู้สึกทันทีเลยนะไม่ต้องนั่งคิดเอานะนั่งคิดเอาไม่ใช่ของจริงแต่ต้องรู้สึกได้จริงๆเลยแต่จิตเนี่ยยากมากที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเคยชินที่จะว่าจิตเป็นเราในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะสังเกตไหมจิตใจเราเรารู้สึกมีเราอยู่คนหนึ่งในนี้นะถ้าเมื่อไหร่สักายอทิตย์ขาดตัวนี้ไม่มีนะนี่ถ้าพอจิตใจมันเกิดปัญญารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้มันจะค่อยๆปล่อยวาง ปล่อยวางความยึดถือในรูปในนามพอจิตปล่อยวางรูปนามก็เรียกจิตมันพ้นจากรูปนามนั่คือนิพพานนัน่นเองจิตจะไ ป, ปสัาจากกับสะภาวะของนิพพานแต่นิพพานไม่ใช่จิตนะคนละอันกันบางคนไปเข้าใจว่าจิตที่ดีคือนิพพานไม่ใช่นิพพานคือความสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นความอยากสิ้นการดิ้นรนปรุงแตง่งเนี่ยหลักของการปฏิบัตินะตั้งแต่เบื้องต้นเลยจนถึงที่สุดนะ เล่าให้พวกเราฟังในสิบนาทีแต่ว่พวกเราต้องทําเป็นหลายปีนะเฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่พวกเราจะต้องทําคืออะไรนะหัดตามรู้กายตามรู้ใจตัวเองเรื่อยๆตามรู้บ่อยๆนะสนใจตัวเองบ้างอย่าสนใจแต่คนอื่นอย่างใครเขาเคลื่อนไหวเขาทําอะไรนะเรารู้หมดเลยแต่เราเคลื่อนไหวเรากระดุกกระดิกเราไม่รู้เนี่ยนี่เราขาดสตินะ งั้นเบื้องต้นเลยเราจะกระดุกกระดิกจะพูดจะเหยียดเลี้ยวซ้ายแลขวานะคอยรู้สึกไปเรื่อยนี่ว่าเรามีสตนะิแต่พอรู้สึกมากเข้ามากเข้าจนถึงจุดหนึ่งที่มันรู้โดยไม่เจตนาจะรู้เนี่ยมันจะเกิดสภาวะอีกชนิดหนึ่งมันจะเห็นเลยรูปนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายนี้ที่มันทําท่าอย่างนี้ไม่ใช่เราพยักหน้านะจะเห็นเลยรูปมันเคลื่อนไหวนะถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะ มีปัญญาด้วยปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงของรูปของนามนะอย่างเราเห็นแล้วว่าไอ้นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่รูปประธรรมก้อนหนึ่งนะมีธาตุที่ไหลเข้ามีธาตุที่ไหลออกทั้งวันนะเช่นหายใจเข้าหายใจออกนะทานอาหารเข้าไปขับถ่ายออกนี่เป็นธาตุที่หมุนเวียนอยู่ตลอดวันนะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เป็นนิดแต่เดิมเราไม่เคยจเจริญสติเราจะรู้สึกว่าร่างกายนี้นานๆทุกทีหนึ่ง จ็ป่วยถึงจะทุกข์แต่ถ้าเราจเจริญสติเราคอยรู้กายเรื่อยๆเราจะรู้ว่าความทุกข์เกิดที่กายอยู่ตลอดวันเลยนะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเมื่อยโดยเฉพาะเมื่อยเกิดบ่อยถ้าไม่เมื่อยก็ขันใช่ไหมต้องขันแล้วต้องเกาเราไม่รู้ตัวเนี่ยพอมันคันปุ๊บเราก็เกาแล้ก็ไม่รู้สึกว่ามันทุกข์เลยไม่เห็นนะนั่งไปแล้วมันเมื่อยเราก็ขยับเปลี่ยนอิริยาบถไปแล้วก็ไม่เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ ต้องเจ็บป่วยมากๆานละถึงจะรู้สึกทุกขนะ์แต่ถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายเนืองๆเราจะเห็นกายนี้เป็นก้อนทุกข์นะกายนี้เป็นาธาตุก็จริงาธาตุไหลเข้ า, าธาตุไหลออกก็เป็นก้อนทุกข์ด้วยไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอะไรกายนี้เป็นของที่บังคับเอาอตามใจชอบไม่ไดนะ้สั่งให้มันแข็งแรงตลอดก็ไม่ได้นั่งเนะี่ยนั่งอยู่สั่งให้มันสบายตลอดมันก็ไม่สบายนะเนื่อความทุกข์ก็บีบคั้น บ, บังคับมันไม่ได้ หายใจเข้าสั่งมันที่หายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกก็ทําทไม่ได้นะเราเฝ้ารู้อยู่ที่กายเราจะเห็นความจริงกายไม่เที่ยงนะกายเป็นทุกข์กายบังคับไม่ได้ดูถ้าเราทําได้แค่นี้ไม่บรรลุมรรคผลแค่นี้ก็ดีแล้วนะดีวิเศษแล้วเวลาเจ็บหนักใกล้จะตายคนทั่วๆไปจะทุรนทุรายว่าเราจะตายแล้วนะพวกผู้ปฏิบัติถึงไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้ก้อนทุกข์นี้มันใกล้จะแตกแล้ว ก้อนทุกข์นี่มันใกล้จะแตกแล้วแตกแตกไปซะได้ก็ดีนะไม่ห่วงไม่ห่วงก็ไม่ทุกข์มากนะเหลือแต่ทุกข์ทางกายจริงๆงงแต่ใจไม่ทุรนทุรายไม่หัดจเจริญสติหัดรู้กายนะหรือคนไหนคิดมากเป็นคนคิดมากคอยรู้ใจตัวเองไว้ใจเราแสบสายตลอดเวลาใครอยากรู้ว่าจิตพระอรหันต์เป็นยังไงจะลองเปรียบเทียบให้ฟังนะลองดูของตัวเองดู สังเกตไหมว่าจิตของเรานี่แอบทํางานตลอดเวลาดูออกไหมทํางานตลอดเวลาตนะาการตาราที่ทำพูดบอกมันทํางานได้สิบสี่อย่างมันะไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปรับรสไปกระทบสัมผัส ท, ทางกายห้าอย่างที่เหลือเป็นการทํางานทางใจนะมันเกิดมันตายมันอยู่ในรวังนะมันขึ้นมารับอารมณ์มันมาพิจารณาอารมณ์มาตัดสินอารมณ์มาเสพอารมณ์นะ มันหน่วงอารมณ์ทำงานได้เยอะแยะแต่พวกเรานักปฏิบัติไม่ต้องเรียนให้มันยุ่งขนาดนั้นเราลองมาสังเกตที่ใจเราไว้ใจเราดิ้นตลอดวันทำงานตลอดเวลารู้สึกไหมใครรู้สึกบ้างถ้าฟังอาจารมาพูดสักสองสามทีนะบางทีก็รู้สึกนะแ้าบางคนฟังครั้งเดียวก็เข้าใจบางคนฟังยี่สิบปีไม่เข้าใจก็มีนะไม่รับรองนะต้องช่วยตัวเองให้มากๆ ถ้าใครเอาแต่คิดแล้วก็ไม่ได้กินหรอกนะยิ่งศึกษาเปรียบเทียบเรื่อยๆ เ, เราก็ไม่ได้เจอของจริงหรอกนะหัดตื่นขึ้นมานะมารู้สึกมารู้ทันความรู้สึกของเราเห็นไหมความรู้สึกขอเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะตอนที่มาถึงวัดใหม่ๆกับตอนเนี้ยความรู้สึกไม่เหมือนกันนึกออกไหมตอนมาถึงวัดใหม่ๆใจคอบอกแวกรู้สึกไหมตอนนี้นิ่งๆรู้สึกไหมเนะีนะ่ยนะสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ะเนี่ยหนีไปละหนีแวบไปเฉยๆงั้นนะห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้การที่เรารู้ทันตัวสภาวะเราจะเห็นเลยมันไม่เที่ยงนะมันมีขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแต่ละอย่างนี้ไม่เที่ยงจิตแต่ละชนิดไม่เที่ยงะมันทนอยู่ไม่ได้สักอย่างเดียวเลยแล้วมันก็บังคับไม่ได้เช่นจิตจะวิ่งไปเกิดทางตาห้ามไม่ได้จิตจะเกิดทางหูห้ามไม่ได้นะจิตจะไปเกิดกุศลเกิดอกุศลห้ามไม่ได้ทางนั้นหน่อยเลือกไม่ได้ด้วย อน่ยเห็นหมจิตนี้อย่างเนี้ยรู้สึกไหมไม่ได้เจตนาเลยมันไปของมันเองการที่เรามีสติคอยรู้ทันอยู่เรื่อยๆในสุดเราจะเข้าใจความจริงอ๋อจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานะจิตไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยถ้าใครเห็นจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใดหนึ่งเนี่ยสักยัิทีจะขาดนะลําพังเห็นว่ากายไม่ใช่เรานง่ายนะคนศาสนาอื่นก็เห็นได้ การจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรายากที่สุดต้องมีสติมากๆคอยรู้ทันจิตเดี๋ยวจิตก็ไปเกิดทางตาไปรู้อารมณ์ทางตาไปดูเดี๋ยวจิตก็ไปฟังเดี๋ยวจิตก็ไปคิดเดี๋ยวก็เกิดกุศลเดี๋ยวเกิดอกุศลเดี๋ยวเกิดสุขเดี๋ยวเกิดทุกข์ห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้นะเช่นจิตจะเผลอไปเนี่ยห้ามไม่ได้อย่างเมื่อกี้รู้สึกไหมมันไหลแวบไปห้ามไม่ได้แต่ตรงที่รู้ทันมันน่ยกุศลเกิด แต่เกิดได้แวบเดียวก็จะไหลครั้งใหม่หลงครั้งใหม่ทำไมมันอยู่ได้สั้นนิดเดียวมันเป็นแค่คณิกะสมาธิอยู่ได้แป๊บเดียวเองนะแต่ว่าสมาธิตัวนี้แหละเอาไว้ทำมิปัสสนาใหนะจิตหนีไปคิดคอยรู้ทันนะคุณเนี่ยนะจิตใจแอบไปทำงานอะไรเราคอยรู้ทันมันนะงั้นมันหนีไปคิดบางทีมก็หนีไปหาธรรมะนะบางทีก็หนีไปกวน ว่าจะดูอะไรดีเนี่ยมันหนีไปทํางานได้นานาชนิดเลยนะคอยรู้ไปการหลงทางใจนี่ทํางานได้หลากหลายที่สุดเลยหลงทางตาหลงทางหูนี่ง่ายมากมันทํางานได้อย่างเดียวหลงทางตาไปดูได้อย่างเดียวหลงทางหูมันไปฟังได้อย่างเดียวแต่หลงทางใจนี่ทำงานได้สารพัดเลยนะคอยรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็เรียกว่าหลงถ้ารู้ทันก็เรียกว่ารู้ทันนะมีสติมีปัญญาให้คอยรู้สึกตัวนะ แล้วรู้กายรู้ใจรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจอยู่เรื่อยๆยิ่งมากยิ่งดีนี่อะไรเป็นศัตรูที่ทำให้เรารู้รู้กายรู้ใจไม่ได้ศัตรูร้ายมีสองตัวศัตรูหมายเลขหนึ่งคือความหลงไปความเผลอไปอยังไม่เช้าแตมาพูดให้ฟังแล้วนะบางคนที่มาตอนเช้าอย่างเวลาเราเห็นคนเดินมาเราดูเขาเนี่ยเราลืมตัวเอง นะพอไปดูคนอื่นเราก็ลืมตัวเองไปฟังเขาพูดแล้วก็ลืมตัวเองอยู่คนเดียวก็ใจลอยไปลืมตัวเอง mm hmm. บางทีก็นั่งคิดนะคิดกระทั่งคิดธรรมะนะคิดธรรมะแล้วก็ลืมตัวเองพอจะดูออกไหมตัวนี้เริ่มดูยากแล้วนะตรงที่คิดแล้วก็ลืมตัวเองเพราะเรารู้เรื่องที่คิดนะแต่เราลืมรูปนามต่างๆแต่สมมุติบรรัญญัติเกิดขึ้นมาล่อให้เราทิ้งการรู้รูปนามไปเรื่อยๆ อย่างศัตรูหมายเลขหนึ่งก็คือความหลงความเผลอ น, นั่นเองเนี่ยขณะเนี้หนีไปคิดละเห็นไหมพอหนีไปคิดแวบลืมรูปลืมนามลืมกายลืมใจเ น, นี่ยขณะเนี้ยลืมอีกละรู้สึกไหมนะอย่าง <c oughs> นั้นมันไปได้เร็วนะพุทธเจ้าถึงบอกว่าจิตนี่อาศัยกายอยู่นะ <c oughs> เที่ยวไปรวดเร็วมือระดับพระพุทธเจ้าว่าเร็วต้องเร็วจริงๆ เ น, นี่ยขนาเนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมนะเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมรูปนามนะงั้นเราคอยรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกถึงรูปนามของเราเรื่อยๆนะถ้ารู้สึกถึงรูปนามโดยที่ใจไม่ไปหลงกับความคิดนะจะเห็นทันทีเลยนะรูปนามไม่ใช่ตัวเรานะที่มันเป็นตัวเราขึ้นมาเพราะเป็นความคิดเท่านั้นเองบางคนถามว่าจะละความเป็นตัวเราได้อย่างไรนะ สมาจะตอบบอกว่าละไม่ได้หรอกความเป็นตัวเราเพราะความเป็นตัวเราไม่มีมันเป็นความคิดเท่านั้นเองเป็นความลงผิดเท่านั้นเองว่าเป็นตัวเรางั้นมารู้ของจริงมาดูของจริงจนเห็นว่ากายกใจมันไม่ใช่เราเพราะแค่ละความเห็นผิดไม่ใช่ไปละความเป็นตัวเราในี่ศัตรูตัวที่หนึ่งนะคือเผลอไปหลงไปศัตรูตัวที่สองคือนั่งนั่งเพ่งเอาไว้นั่งเพ่งเอาไว้ เช่นตอบกำหนดลมหายใจก็เพ่งไว้ที่ลมจะเดินจงกรมก็เพ่งไว้ที่เทา้านะจะหายใจก็เพ่งลมบ้างเพ่งท้องบ้างนะอยากบริกรรมก็เพ่งคำบริกรรมเราเพ่งเพ่งจิตของเราคล้ายๆมันไปรวมไว้อยู่ในจุดเดียวแล้วมันจะนิ่งๆนิๆ่งอยู่อย่างนั้นนะะมันไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะอย่างเช่นถ้าเราเพ่งลมหายใจเราจะจิตเราไหลไปเกาะที่ลมนะ เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของไตรลักษอะไรนี้เห็นไม่ได้เลยทุกอย่างจะนิ่งหมดยังการเพ่งเป็นศัตรูอันดับสองการหลงนี่เป็นศัตรูอันดับหนึ่งเลยการหลงไปก็คือการไหลตามกิเลสนะพูดอีกศัพท์หนึ่งก็เรียกว่าการสุขขลิกานุโยคผลที่ได้คือมักจะไปอบายการคอยควบคุมตัวเองคอยบังคับตัวเองคอยปกป้องไม่ให้จิตไหลไปสู่อารมณ์ที่ชั่ว เป็นการบังคับตัวเองเรียกว่าอัตตาเกเรมัาธานุโยกผลก็คือมักจะไหลไปนในทางสุขติเราก็จะเป็นคนดีเพราะเราควบคุมตัวเองแต่ทั้งสองทางเนี้ยเป็นความสุดโต่งสองฝั่งยังไม่ใช่ทางสายกลางคนที่มาเก่าๆอาจจะได้ยินนะแตมาชอบเล่าพระสูตรอันหนึ่งมีเทวดาไปถามพระพุเทธเจ้าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไร โอคาคือหวงน้ำห่วงกิเลสล้วพระพุทธเจ้าตอบบอกว่าดูก่อนเทวดาเราข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราก็ไม่เพียรอยู่นะคําว่าไม่พักเนี่ยก็คือไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไหลาตามกิเลสไปคล้ายๆเราพายเรืออยู่ในแม่น้ําถ้าเราพักคือเราเลิกพายเราก็จะไหลาตามน้ําไปนะท่านก็สอนบอกว่าถ้าไหลไปก็มกักจะจมลงนะคือแปะบายถ้าปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเนี่ยสุดตรงไปข้างนึง่ง บางคนหาความสุขในชีวิตด้วยการตามใจกิเลสเราคิดว่าจะนำความสุขมาให้อยากดูหนังก็ดูอยากฟังเพลงก็ฟังนะอยากไปเที่ยวก็ไปอะไรนี้คิดว่ามันจะมีความสุขเที่ยวหาความสุขนะความสุขแบบตามใจกิเลสก็เป็นความสุขเหมือนกันเรียกว่าการมาสุขแต่ก็มีการมาโทษนะอีกฝั่งหนึ่งก็คือพวกบังคับตัวเองอย่างขี้เกียจ ตื่นนอนเช้าๆบังคับตัวเองแล้วลุกขึ้นมาจะมาใส่บาตรลุกขึ้นมาจะมาฝังเทศแม้มันฝืนความรู้สึกนะบังคับใจตัวเองลุกขึ้นมาจนได้นชนะกิเลสฝ่ายต่ํานะวนะด้วยการข่มใจลุกขึ้นมานะขี้เกียจเรียนธรรมะก็อุตส่าห์ตั้งใจเรียนอภิธรรมวันนี้เรียนอภิธรรมเยอะหน้าวันนี้หลายคนได้ปริเสตแล้วหล่แล้วเนี้ย <S <S เอา้าทำไมล่ะ เนี่การที่เราคอยนะอยากเรียนอยากรู้ธรรมะก็ภาคเพียรเรียนเยนี่ยต้องอดทนอดกลั้นนะเรียนกันเจ็ดปีสิบปีนะบางแห่งก็หลักสูตรเจ็ดปีครึ่งถ้าไม่จบเลยไอ้ถ้าไม่ตกเลยนะก็จบส่วนใหญ่เรียนไม่ทันถึงก็เลิกไปก่อนทนไม่ไหวนะไม่เคยให้ทานตัดใจให้ให้ทีแรกให้ยากตอนให้ทีหลังก็ชักจะให้เก่งขึ้นคุ้นเคยกับการให้ ถามว่าให้ทานแล้วดีไหมดีนะมีสุขติมีโภูทรัพย์อนะไรเงี้ยถามบรรลุมรคผลนิพพานไหมไม่บรรลุหรอกนะถ้าให้ทานแล้วบรรลุมรคผลนิพพานพระโสดาบันไปก่อนเพื่อนเลยนะแจกลูกแจกเมียแจกช้างนะเราแจกไม่ได้อย่างนั้นเ่นะท่านแจกแล้วท่านยังไม่บรรลุเลยท่านมาบรรลุเพราะท่านมาเจริญสติเหตุอริยสัจนะครัทบ ท, ท่านบอกว่าหลักสูตรมีเกือบปีครึ่ง ออไม่ใช่นั่นหมายถึงไปเรียนอรพิธรรมนะหลักสูตรถ้าเจริญสตินี่มีหลักสูตรเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะเจ็ดวันก็มีมาแล้วนะเจ็ดเดือนก็มีนะแปดเดือนก็มีนะคือถ้าเมื่อไรเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วคอยรู้กายคอยรู้ใจนะรู้ไปเรื่อยนะการปฏิบัติก็ง่ายไม่ต้องไปคิดแบบว่าทำไปแล้วจะได้อะไร ให้คอยตามรู้กายตามรู้ใจบ่อยๆการตามรู้กายตามรู้ใจเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานทำไปเพื่อสองอย่างเท่านั้นนะเพื่อความเจริญแห่งญาณคือเพื่อปัญญากับเพื่อความมีสติบ่อยๆนะอย่างถ้าเราคอยรู้คอยนึกถึงร่างกายเราเคลื่อนไหวคอยรู้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวคอยรู้นะพอร่างกายมันไหวสติมีเกิดเช่นเราเผลอๆ อ, อยู่เราเกิดขยับตัวปับ๊บ มันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยอ้าวเผลอไปแล้วนะหรือเราคอยรู้จิตใจอยู่เรื่อยๆพอความโกรธเกิดขึ้นแวบบเนี่ยสติมันเกิดเองมันเห็นแล้วว่าโกรธขึ้นแล้วนะตอนนี้พวกเราเกินครึ่งนะที่ว่าพอความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วมองเห็นเลยนะพวกที่เคยมาเรียนในห้องนี้ก็เกินกว่าครึ่งแนละ้วนะความโกรธเกิดแล้วเห็นเลยนะตอนนี้หลายคนมาตายตรงนี้แล้วดูไปจนว่างหมดล้ ไอ้ว่างแล้วไม่มีอะไรให้ดูเมื่อวานก็มีคนมาถามว่างหมดแล้วจะดูอะไรดีบอกมันไม่ว่างจริงหรอกมันมันละเอียดจนมองไม่เห็นนั่งห่าความจริงไอ้ที่รู้สึกว่าว่างนี่ยังเป็นธรรมะที่เป็นคู่กับวุ่นนั่นแหละะพอมันเลิกวุ่นก็รู้สึกว่าว่างเห็นไหมว่างก็ไม่เที่ยงะบอกไปดูไปเลยดูไปนานๆว่างก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็วุ่นขึ้นมาอีกนะ ไม่ใช่ว่าจิตไม่มีอารมณ์บางคนบอกดูไปจนหมดอารมณ์แล้วไม่มีอารมณ์ะจิตจะต้องมีอารมณ์เสมอนะอารมณ์นี้ภาษาภาษาบาลีแล้วไม่ใช่อารมณ์ภาษาไทยนะอย่างคนไทยเจ้าอารมณ์นี้ไม่ดีนะแต่ว่าอารมณ์ในภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้อะไรก็ตามที่จิตได้รู้มันเข้าได้นี่เรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นจิตจะต้องมีอารมณ์ตลอด เอาใครจะถามอะไรเชิญมีเวลาครึ่งชั่วโมงเองนะแล้วพวกเราเยอะมากเลยวันนี้อาจารย์สุรวัตรพาใครมาอาจารย์สุรวัตอ๋นนี่เหรอเป็นไงส่งกันบ้านไหมมาจากอเมริกาเหรออะไรนะเออเป็นไงรู้สึกตัวยัง ต้องไม่บังคับนะถ้าบังคับผิดเลยนะการปฏิบัติเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องบังคับเลยบังคับนี่เป็นเรื่องของสมถะนะมีปัสศนาให้รู้ตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงส่วนมากเราไม่ค่อยรู้นะเรารู้ไม่ค่อยเป็นอย่างเป็นต้นว่าเราคิดว่ารู้รูปถามว่ารู้อะไรรู้รูปรูปมันทําอะไรรูปมันขยับมือโอ้รูปมันขยับมือเนี่ยมันไม่ใช่รู้รูปแล้วนะมันรู้มือแล้ว เห็นอะไรเห็นขวดนะมีคนหนึ่งมาบอกเลยดิชันเข้าใจการปฏิบัติแล้วถ้าดิฉันเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมโอ้คนไม่ปฏิบัติก็รู้เหมือนกันนะอีกคนหนึ่งผู้ชายบผมเข้าใจแล้วง่ายมากนะถ้าผมออกจากศาลาไปได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมเพราะอย่างนั้นคนไม่ปฏิบัติก็รู้นะแค่นั้นไม่พอ ถ้าตามันเห็นรูปเห็นพัดลมเฮ้ยพัดลมไม่สวยโบราณรู้สึกใจไม่ชอบเนี่ยรู้ที่ใจไม่ชอบเนี่ยนะเห็นได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบขึ้นมารู้ว่าใจมันชอบใจมันสงสัยว่าดอกอะไรนะรู้ว่ามันสงสัยนี่เรียกว่าเจริญให้ได้ถึงอายสนะบับพภะในสติธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะนี่พวกเราตอนหลังๆเนี่ยเจริญธรรมานุปัสนาใช้อายสถานบับพภะเอาไปครึ่งเดียว ชอบเปี่ยนแค่ครึ่งเดียวคือพอตาเห็นรูปนะก็จะไปรู้รูปกับรู้ตาที่จริงพระเจ้าสอนไม่เกินแบบนั้นท่านบอกว่าเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยนะให้รู้ตาชัดให้รู้รูปชัดนะให้รู้ชัดซึ่งตาให้รู้ชัดซึ่งรูปให้รู้ชัดซึ่งสังโยชน์ซึ่งเกิดจากการกระทบเห็นไหมเข้ามารู้สังโยรู้ที่ใจเราละเพราะงั้นตาเห็นรูปต้องรู้เข้าถึงจิตถึงใจนะถึงจะเรียกว่าทําตามคําสอนของท่านครบ เมตตาเห็นรูปแล้วก็ไปคิดว่านี่รูปไม่ใช่เรานะนี่เสียงไม่ใช่คำชมคำด่าอย่างนี้ยังไม่ไ ม, ไม่เรียกว่าทาตามหลักสูตรของท่านครบนะแต่ถ้าได้ยินคำด่ามานี้รู้เลยว่าสังโยชน์มันเกิดแล้วโทสะมันเกิดความโกรธมันเกิดรู้ทันมันความโกรธมันดับไปเนี่ยเขายังด่าไม่เลิกเนี่ยความโกรธ ด, ดับไปแล้วใจเราเป็นกลางแล้ว เ, เราจะเห็นชัดเลยว่า สิ่งที่เข้ามากระทบหูเรานี้ไม่ใช่คำด่าหรอกมันคือเสียงเฉยๆแต่ใจเราไปแปลใจมันแปลอีกนี้เรียกว่ารู้ชัดซึ่งเสียงงั้นเรียนธรรมะนะอย่าเลือกตัดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยตามใจนะเรียนให้ครบๆแต่ละเรื่อง คืออย่างนี้อลูกไปอยู่ที่ปลอดภัยแล้วหมายถึงไปอยู่โรงเรียนแล้วใช่ไหมไปเข้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วอคืออย่างนี้พอใจัยเป็นห่วงลูกรู้ว่าห่วงอย่างนี้ใช้ได้แล้วนะแค่ใจเป็นห่วงรู้ว่าห่วงสามีกลับบ้านช้าหุ่นหินรู้ว่าหุ่นหะิดนะแค่นี้เองขับรถอยู่โดยก็าปาดหน้าแล้วโมโหรู้ว่าโมโหนะคนเขาชมว่าโอ้สวยไม่เจอกันยี่สิบปีแล้วยังสวยเหมือนเดิม ใจเราดีใจรู้ว่าดีใจนะถูกคนก็ว่าใจเราแฟบไปเลยรู้ว่าแฟบหนละือใจเดือดขึ้นมาเลยรู้ว่าเดือดคนไทยเก่งนะมีศัพท์เกี่ยวกับจิตใจเยอะมากเลยนะดีใจเสียใจแค้นใจนะกุ่มใจใจร้อนใจเย็นนะเจ็บใจรือสารพัดเลยเะนะั้นคนไทยนี่เชี่ยวชาญน ใ, นในด้านการดูจิตมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว แล้วนั้นเราจะมีคําศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกนี่เยอะมากเยอะกว่าภาษาบาลีอีกนะสติสติต้องเนืองเนืองไม่ใช่สติต่อเนื่องเนืองเนืองหมายถึงเกิดบ่อยๆนะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ดับใหม่สติต่อเนื่องไม่มีนะคําว่าต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นแปลว่าอนิจจัง จริงๆมันไม่เคยต่อเนื่องหรอกมันเกิดแล้วมันดับเป็นขณะขณะสติเกิดดับพร้อมกับจิตสีละขณะสีละขณะนะเพราะฉะนั้นสติเกิดขึ้นมาแวบแล้วก็ดับแวบแล้วก็ดับนะนี่หน้าที่ของเราคือทำสติให้เกิดบ่อยๆวิธีทำสติให้เกิดบ่อยก็ต้องดูว่าอะไรทำให้สติเกิดการจําสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดงั้นเราต้องหาดูสภาวะ อย่างแต่เดิมเราไม่ค่อยรู้จักสภาวะรู้รู้จักน้อยเช่นต้องโกรธ ถ, ถึงจะรู้ว่าโกรธพอโกรธไปแล้วสติเกิดอ้าโกรธแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ต่อมาเราหัดดูเรื่อยๆนะเพลอไปคิดละเนี่ย <Yeah. S 1> อย่างตั้งใจฟังอแต่มาพูดรู้สึกไหมไม่ใช่ฟังเฉยๆนะฟังไปคิดไปรู้สึกไหมแต่เราไม่เคยเห็นว่าฟังไปคิดไปเราคิดว่าฟังลูกเดียว <Yeah. S 1> มีใครดูออกบ้างว่าฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียว ดูให้ดีซิว่าระหว่างฟังกับคิดอะไรเยอะกว่ากันคิดเยอะกว่าถูกต้องนี่ถ้าเรียนอภิธรรมอยารู้ทำไมฟังมันฟังแค่ได้ขนาเดียวคิดได้ตั้งเจ็ดขนาดนนคือถ้าจะเรียนเอาไว้พูดกับคนอื่นก็ต้องรู้ชื่อนะถ้าจะเรียนเอาไว้ปฏิบัติเองไม่ต้องไปใส่ชื่อได้ยิ่งดี เวลาสภาวะเกิดในใจสังเกตไหมมันจะมีนักภาคอยู่คนหนึ่งคอยบรรยายอุย้ยโกรธแล้วไอ้นี่เรียกว่าโกรธนอกจากบรรยายแล้วยังมีนักวิจารณอีกไม่ใช่แค่ภาคเฉ่เฉยวิจารณอุย้ยโกรธไม่ดีอ่ากโกรธเลยนะหรือไม่ก็มีนักคิดอุย้ยโกรธไม่ใช่ตัวเราโกรธเป็นนามนะนี่ก็คิดเราอีกอ่ะนะไม่นะงั้นให้เป็นนักรู้นะเป็นนักอ่านอ่านกายอ่านใจของเราไปเรื่อยๆ เป็นนักอ่านที่ดอนนีอย่าเป็นนักประพันธ์อย่าเป็นนักวิจารณ์มีวิจิตแล้ง่ายรู้เรื่องอย่งังเออพอได้ไดนะทีนี้บอกว่าไม่รู้วิชาการทำตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังรเราก็ต้องหัดก่อนนะหัดรู้สึกไปทีละอย่างสองอย่างนะอยากเรียนไหมเอออยากเรียนนั่งไป นั่งเกยๆน่ะอ้าเราหลงผิดอ่ะนะที่จริงไม่มีต่อเนื่องนะ <c oughs> มันมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่เรามองไม่ทันมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นอันเดียวต่อเนื่อง บางทีมันเป็นสำนวนครูบาอาจารย์แต่ละท่านนะแต่ถ้าตัวสภาวะจริงๆสติไม่ต่อเนื่องสติเกิดดับนะแต่ว่าถ้ามันเกิดบ่อยๆมันจะรู้สึกต่อเนื่องเหนะมือนอย่างสิ่งที่เรามองเห็นเป็นเส้นเส้นอย่างตารางเส้นเนี้ยนะเส้นจริงๆไม่มนะีเส้นจริงๆก็คือจุดที่ต่อกันอย่างถี่ยิบนะหรือเราเห็นว่าหนังการ์ตูนหรือเมื่อดูการ์ตูนสักตัวหนึ่งนะแต่ก่อนหลวงพ่อยังไม่บวช เคยดูเรื่องอีคิวังอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีสติพอเราก็จะเห็นว่ามีอีคิวังจริงๆริงอีนะิวังเนี้ยเคลื่อนไหวได้ทั้งครึ่งชั่วโมงตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องมีอีคิวสังอยู่ตัวเดียวแต่ความจริงแล้วมันคือรูปที่ต่อกันหลายๆรูปนะรูปแต่ละตัวไม่ได้เคลื่อนไหวเพราะมันมาต่อต่อกันเลยดูมันเป็นตัวเดียวกันแล้วก็ดุกดิกได้สติก็เหมือนกันนะสติ ให้ม hey, like so hey, ันร right. like so ู so ้ส like so ึกบ่อยๆรู้จักใจลอยไหมเห็นไหมเนี่ยได้หนึ่งอ่านแล้วนะนั่งต่อไปคือหลักของการปฏิบัติเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์บางท่านก็สอนใช้ต่อเนื่องนะต่อเนื่องหมายถึงต้องทำเนืองททำให้เกิดบ่อยๆไม่เอาน้าอย่างงั้นหนีไปคิดแล้วนะุณผู้ชายนะรู้สึกตัวไว้ใจมันไหลไปก็รู้ทันมัน เนีน่ยเนี่ย no, no, ไม่ใช่รู้ที่เท้าเนี่ยนะไม่ใช่รู้สึกต no, hmm. ัวนะเอ่านี่รู้เท้าอ่าแต่าดูตรงนี้ก็เลยเสียงก็เลยขาดสังเกตไหมตรงที่เราจดจ่อลงไปตรงนี้ยจริงๆแล้วเราลืมตัวเราเองไปละะเราลืมตัวเองไปละเรารู้สึกว่าตะขิวกินขาอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวค่อยดูนะถ้าเรียนมาแนวนี้จะดูยากนิดนึง เราจะรู้สึกเหมือนเรามีสติอยู่แต่จริงๆแล้วเราสติจี้ลงไปนะจุดอ่อนที่เรียนมาทางแนวนี้ก็คือเราไม่เคยเรียนเรื่องจิตศิกขาเราข้ามามาบทเรียนนถ้ามาแนวทางวัดป่าเนี่ยจะทำสมาธิมา ก, ก่อนเป็นจิตตั้งมั่นจริงๆนะแล้วก็เสร็จแล้วพอถอยออกจากสมาธิเนี่ยจิตยังทรงตัวตั้งมั่นอยูย่มันจะเห็นรูปเห็นนามได้นะของเราเนี่ยจะเป็นการเพ่งรูปเพ่งนามหรือกาหนดรูปกาหนดนาม การรู้สักว่ารู้กับการกําหนดรู้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยการกําหนดรู้เนี่ยเบื้องหลังคือจงใจรู้เพราะฉะ้นสติอันกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์นี้แหละเป็นตัวทุกข์ตัณหาอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกําหนดรูปนามนี่ละตัวสมุ ท, ทยัยนนี่เป็นการลงไปสร้างพบขึ้นมาอันหนึ่งอย่าค่อยๆฟังนะยากนิด น, นึงอึดๆไว้นะ เหลืหอก็ไปละคือจะใช้อะไรก็บัญญัติหมดแหละรู้สึกเอารู้สึกถึงความมีอยู่ของมันก็พอลนะเราจะเปลี่ยนชื่อแต่เดิมเป็นขาถ้าเป็นขาแล้วไม่ใช่ปรามาัมดบอกนี่รูปรูปก็บัญญัตินะเป็นบัญญัติถึงปรามาตัตดนะแต่ถ้ารู้จกักรู้สึกถึงตัวสภาวะของมันนะไม่มีชื่อ แต่ถ้าจะเอาไว้เรียกขานกันกเรียกว่ารูปคือการปฏิบัติเนี่ยขั้นแรกสุดเลยต้องมีอารมณ์ที่ถูกต้องแลข้อที่สองต้องรู้วิธีรู้อารมณ์อย่างนั้นอย่างถูกต้องแลข้อที่สาต้องรู้เรื่องต่อเรื่องใช้ต่อเรื่องก็ได้รู้หนึ่งเดิมอันแรกเลยต้องรู้อารมณ์อย่างถูกต้องคือต้องรู้ลงไปที่กายที่ใจนะอย่าไปหลงอยู่ในโลกของสมมติปัญญาอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิด ต้อรู้หลงที่กายที่ใจรูปจริงๆรู้ยากมากเลยคนชอบคิดว่ารูปรู้ง่ายเพราเป็นของหยาบนี่พูดเอาเองคจริงแล้วคนกายหยาบอรปัสนาถึงเหมาะแบบวิปเอสมาตายาดิเพราะมันรู้ยากถามว่าเห็นอะไรเห็นมือใช่ไหมบางคนเห็นมากกว่านี้เห็นพระชูมือเห็นรูปจะเห็นยากนะถ้าจิตไม่ได้มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นเพียงพอจะเห็นไม่ได้เลย เพราะงั้นกายานุปัสสนาถึงเหมาะกับสมถทานญาณิสคยนามาทำมาเห็นง่ายเราก็บอกว่าเห็นยากใครมาบอกว่าเห็นยากนะสมาธิถามเลยเคยโกรธไหมรู้จักไม่โกรธนะก็รู้จักรู้จักตัวไหมรู้จักรู้จักกิจเช้ารู้จักถามกี่ตัวกี่ตัวรู้จักหมดเลยแล้วบอกว่ารู้ยากไม่อยากรู้อีกตางกความจริงทุกคนเน่ยสามารถรู้ได้อยู่นะความรู้สึกเนี่ย ควรู้สึกทั้งหลายเรารู้ได้อยู่แล้วเพราะงั้นการรู้ความรู้สึกรู้จิตใจเนี่ยรู้นามถึงเหมาะกับวิปัสสนาญาณิคไม่ต้องทำฌานก่อนรู้เข้าไปตรงเลยขอมันอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วอย่างสุขเขาด่าแล้วสกิดเห็นคก็เกวดพุ่งขึ้นมาตาอเป็นริ้วๆขึ้นมาหรืออยากพูดมีแรงดันขึ้นมาตราอกเลยเคยอยากพูดไหมอยากพูดแล้วมันยังไม่ได้พูดหรือรู้รึไหมมันดันขึ้นมาหรือมันกระหากให้นมา แม่ไม่ใช่ยากอะไรเชิญเถิด อ, อย่างสมมุติการที่เราปฏิบัติแล้วก็มันปฏิบัติแล้วไม่ถูกไม่กล้านะหรือว่าปฏิบัติแล้วไม่เห็นไม่มีผลอะไรเงี้ย น, นะถ้าเราเข้าข้าองอีกว่าใช้อคำเก่กกาอะไรนี้ไม่ถูกจริงจริงเออคิดแล้วสบายใจแต่ว่าไม่ถูกอะเรา ต, ต้องเอาคำใหม่นะ คืกรรมเก่าอีกสิ่ง ค, คืออะไรตาหูจมูกริมจายใจคือกรรมเก่ า, ก, ก, านะกระทบอารมณ์เป็นผลของกรรมเก่ากระทบอารมณ์ที่ดีกระทบอารมณ์ ท, ที่เร็วนะกูสอนนั้นเป็นนในปัจจุบันนะี่เกิดแล้วคนมีสติรู้ไว้เนี่ยว่าเราทำกรรมใหม่สิ่งที่ทําให้บางคนรู้ชา้าเราคนรู้เร็วนะมีสามอย่างสิ่งที่ปิดกัน้นทําให้รู้ชา้าอย่างที่หนึ่งก็คือปัญหาอยากมากยิ่งอยากยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ ยิ่งอยากมากและจิตใจยิ่งทํางานเพราะตัณหาทําให้เกิดการทํางานทางใจตัณหาสร้างภพยิ่งทํางานไปเนี่ยทําไปด้วยตัณหานะ่ยจิตขณะนั้นเป็นอกุศลเลยไม่มีวันที่จะเกิดสติขึ้นมาได้เลยแม้แตรแบบใดที่ยังอยากปฏิบัติอยู่ไม่มีทางที่จะเกิดสติเลยความอยากเนี่ยเป็นตัวที่หนึ่งที่กั้นหรือไม่ตัวที่สองคือตัวทิ่ผิดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นหรือเชิญศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยแทนที่จะคอยรู้สภาวะอย่างที่เขาเก็ง หัดรู้สภาวะอย่างที่มันกําลังเป็นยหัดรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วจะเข้าใจอย่างง่ายดายเลยแต่ถ้าใครแตคิดเรื่อยๆไปนะมันทีคิดช่วยมันด้วย<ช>อันนี้ไม่ใช่เราหรอกนี่รูปนี่แหละแอบคิดแล่ะจิตที่แอบไปคิดนี่เรียกว่าจิตปูซ้าแล้วจิตปงนี้เป็นอกุศลไม่เรียบร้อยแล้วลเราก็ลองคิดว่าเป็นจิตที่ดีซิไปคิดว่าจะจะเกิดปัญญามันเป็นแค่จิตตามอม่ยััญญา อีตัวหนึ่งที่ติดกั้นเอาไว้แบบนะบางคนรู้ช้ามากเลยคือตัวที่ผิดที่ว่าเรารู้เยอะแล้วที่ว่าเรารู้มากพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งที่ว่าเรามีโง่ที่สุดเลยเราไม่มีบุญเพราะงั้นชะาตเมื่ อ, อไหร่ก็คิดว่าโอ้กับเก่าเราทําไม่ดีเราเลยรู้ช้านี่เป็นมารนะความถือตัวนะถือตัวว่าแย่ในความถือตัวใจก็จะท้อแท้ขี้เกียจปฏิบัตนะิแต่อีพวกหนึ่งโอ้กูเก่งแล้วกูเรียนรู้หมดแล้นะ เงินก็ได้อยู่เท่าเดาิมเท่าเดิไม่มีอะไรใหม่ถามว่ารู้หมดแล้วทําไมไม่ประร ล, ะละุฆารหันหน้ามันไม่รู้จริงนะสิหรือจับใจลอยไหม ม, มาเดียนันแรกเนี่ยนะให้รู้แค่ว่าใจลอยก็พอละเพราไหะ่รู้ไหมเพราะเวลาส่วนใ่ของเราเอาไปใช้ใจลอยใจลอยคือเราไม่รู้ตัวว่าเราใช้การหลักฐาใจมันลอยไป บางทีคิดอะไรยังไม่รู้เลยนะถ้าแต่รายระดับรองลงมาเนี่ยคิดอะไรรู้หมดเลยนะรู้เรื่องที่คิดอนะ่ะแต่ลืมรูปนามอย่างเนี้ยขนาดนี้อีกรูปนามเห็นไหมเราดูครับเห็นไหมเห็นแต่เขาลืมตัวเราเองนะนี่หลงไปคลนะ้ายๆหักไ ป, ไปเรียนในตรงที่ผิด น, นะแล้วมันถูกเองอย่าพยายามเรียนว่าที่ถูกอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจอหรอกเพราะว่าที่ถูกเนี่ยหาเอาไม่ได้ทันทีที่อยากจะหาเนี่ยผิดขนัาดกูสนแนละ้วหาไม่เจอหรอก งั้นใหรู้ทางตรงที่มันหลงไปไร้ไปนะตรงที่มันสุดโต่งไปสองฝั่งหลงทางที่เลสไปจะบังคับตัวเองไหมอย่างจงใจปฏิบัติเนี่ยนะบังคับตัวเองไหมจงใจแต่วจงใจจะดูบัญชาจงใจจะดูมันเนี่ยมีความจนใจแทรกเนี่ยน้องจิบเข้าไปดูมันนบังคับให้เข้าไปดูมันจะไม่เหมือนกับการเรารึกรู้นะสติมัารรึกถึงสภาวะไม่ได้เอง ใจนี้จะเปิดโล่งขึ้นมาเลยจะสงบสาสว่างรู้ตื่นเบิกบานจิตจะมีความเบามีความพอรอความนุ่มนวลคล่องแค่วว่าไวควรแก่การอย่างครบเลยลักษณะของเจตสิกที่เกิดกับมหาภูมิวัฏจิตมีครบนะเนี่ยอย่างนี้หลงไปแนละ้ว ไ, ไปหักสังเกตแลนะเหลือไปอยางไปหลงอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อไม่ค่อยเห็น เล่นนิดหนึ่งเออเออนะใครรู้สึกไปนะรู้สึกหนีไปอีกล้วดูออกขึ่อยังว่าหลงเป็นยังไงพอจะเล่นได้ไหมวันหนึ่งหลงเยอะเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะที่สัทว์มีเยอะกว่าคนสัตว์เกิดด้วยโมหะเป็นได้หลงเยอะพอหลงเยอะรู้สึกตัวน้อย พยายามรู้สึกเรื่อยๆห้ามไม่ได้รู้สึกไหมมันจะไหลอย่างเมื่อกี้ไหลแวบๆห้ามไม่ได้ดูออกไหยพอคุณเริ่มเห็นสภาวะคุณจะเริ่มเห็นไตรักษณ์ไตรักษณ์นี่นไม่ใช่เรื่องยากเลยพอให้เห็นสภาวะตัวจริงไตรักแสดงทันทีอย่างไมื่อกีย้ใจมันจะไหลใช่ไหมไม่ได้เจตนาจะไหลบังคับไม่ให้ไหลมันก็จะไหลทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างการที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่เนืองๆนี่ฝึกจิตรู้ความจริงว่ารูปนามเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ เนี่ยสัตยาทิฏฐิอย่างเงี้ยาขาดเหลือไปคิดแล้วรู้สึกตัวขึ้นมายอย่านี้ไปอย่าตั้งใจไว้นะยากนะหนีไปก็ไม่ได้ตั้งใจคุมไว้สะพอไว้ก็ผีดีนะเป็นความฝดส่งสองฝั่งให้เราเรียนตรงที่ผิดน่ะให้ทําความเข้าใจที่ผิดสองข้างแล้วก็จะ ต, ต, ต, ต, ตรตงกลางเพราะะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะการ ท, ที่หนึ่งธรรมาจาักรนะ ทำไมจากไม่ได้เริ่มสอนว่าที่ถูกทํำยังไงนะทำไมจากเริ่มต้นตั้งแต่ที่ผิดมันอยู่ตรงไหนนะทำที่ไม่ควรต้องเสร็จสองตาคือความโลงไปสุดโตแต่การบังคับเอาไว้สุดโตอม่ขั้งอย่างให้รู้ทันที่มันผิดสองฝง น, นี้มันจะถูกเองทางสายกลางก็คือทางเดินของการเจริญสตินะท่านจะสอนมาร์กมิองแปดทางสายกลางมาร์กมิองแปดเวลาลงเงนปิปฏิบัติเนื้อ เอาสตินำหน้านนเวลาเรียนปริยัติเราเอาสัมมาสตินาหน้าเวลาลงมือปฏิบัติเรามีสัมมาสติพอมีสติแล้วตัวอื่นจะเกิดเองนี่ยจิตแฝดไปทํางานทราบไหมทรับ<า>ให้รู้ทำนี่นเป็นความหลงความปรปุงแต่งฝ่ายดีะมีวิจิตก็ยากต่ยากปียากยากขนาดพระพุทธเจ้าไม่อยากสอนอ่ะถ<อ>้าได้ยินเสียงเป็นปริมาณ ถ้าเราฟังคำงนี้เราจะต้องต้องเข้าใจต้องฟังให้รู้เรื่องต้องฟังเราคิดพอเข้าใจคิดคต้องออไปเลยครับเออรานะออนะนั้นที่สำคัญ ม, มาเรียนที่นี่สัมมาจะไม่สอนเรื่องปรมะก่อนนะจะรามาจะสอนว่าทํางไงอยู่เกิดสติ ท, ทันทีที่เกิดสติโดยจริงเดี๋ยวจะเห็นอาร ม, รมาณ์ปรมะเพราะว่าถ้าขาดสติเมื่อไหร่เราจะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดสติมีสองอันนะสัมม า, ส, มาสติกับมิจฉาสติหรือสติธรรมดา สติทั้งหมดเนี่ยเกิดในจิตไปกุศลแต่ถ้าเป็นกุศลเป็นโลคิยากุศลเป็นกุศลที่มีอารมณ์บัญญัติเป็นสติธรรมดาสมาสติต้อมีอารมณ์รูปหนามนะอย่าขนาดนี้ยอารมณ์เป็นบัญญัตนะิแล้วก็ถลักลงไปรูฝึกไหมคล้ายๆมีจอภาพอยู่ตรงนู้นเราส่งจิตของเราไปดูอยู่นู้นเนี่ยจิตของเราไม่ตั้งมั่นถ้าเคยฝึกจิตจนถึงอภินาจะรู้เนี่ยจิตเคลื่อนเรียบร้อยแล้ว นี่ถ้าเราไม่เคยเรียนจิตศิษยาจะถึงว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงจิตเราจะไหลลงไปเจ้า อ, อยู่ที่อารมณ์แล้วลงไปแช่อยู่ในอารมณ์แล้วเราไึกว่ารู้อารมณ์อยู่แต่ว่ามันรู้แบบที่คนโดดเข้าไปอยู่ในเวทีละครหรือคนชะโงกดูอะไรที่บ่อ น, น้ําแล้วตกน้ำํำลงไปมันถล า, รามรู้ไงรู้ไม่ใช่สักว่ารู้หรอกมันถาลามรู้ถล่มรู้ใช้ไม่ได้หรอกทําไมถึงถลามเรื่องหลังนี้จึงคือตัณหาอยากรู้ให้ชัด แล้วก็เลยกระโจนเข้าไปรู้รู้จักเผลอแล้วใช่ไหมเรียนอันเดียวก็พอเรียนเผลอนี่แหละดีนะส่วนพวกที่เข้าวัดมากๆก็มาเรียนตัวเรีนเพ่งต้องรู้จักนะว่าเพ่งเป็นยังไงสุดโต่งอยู่สองตัวนี้หละตัวหนึ่งสุปล่อยไปตัวหนึ่งบังคับไว้ตัวหนึ่งเสรลอไปตัวนึงเพ่งเอาไว้ครับรู้สึกตัวนี้อยู่ตรงไหนครับไม่มีที่อยู่อนะ ไม่ใช่ไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องนะไอ้นัน่นรู้มือรู้เท้ารู้ท้องใช่รู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวทั่วบร้อมเนี่ยแสง่ายๆก็คือไม่หลงเนี่ยไม่หลงสัมโมหะสัมปชัญญะไม่หลงคือถ้าฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยแล้วรู้ว่ามีเสียงเข้ามาอัานเอง ไอ้อย่างนั้นไม่ต้องมาฟังนะอยู่บ้านก็ได้มีลูข้ามาทางตาเออแล้วพอเสร็จปั๊บก็ไม่รู้เรื่องว่าหลวงพ่อพูดอะไรเอ้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ค่ะเรียกว่าผิดหน้าที่ตอนนี้จะฟังให้รู้เรื่องค่ะแล้ตอนนี้เต้องคิดใช่ต้องคิดก่อนหลงไนไม่เป็นไรตอนนี้มีหน้าที่คิดก็คิดนะไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะแต่ว่าจะแนกแต่ว่าถ้าตอนนี้จะปฏิบัติไม่ใช่คิดเอาแต่ตอนนี้จะเรียนหนังสือจะทํางานที่ต้องคิดต้องคิดให้รู้เรื่อง นะเราไม่ได้มารู้เราปราร ม, รมาัตรแล้วมารู้เรญญาลงบรรจัดและแยกส่วนกันรู้สึกไหมว่าใจทางนี้เบากว่าเมื่อกี้เนี่ยให้รู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแสงนี่แหละคือตัวจริงแหละนั่นคะืออารมณ์ปรารมิตัวจริงแต่ส่วนการนั่งเจ้า อ, อย่างเจ้าขาเป็นเหล็กเนี่ยนะมันถล่มลงไปรู้นะมันไม่ใช่สักดว่ารู้จริงจนะิตถล่มลงไปอย่างเมื่อกี้นีไปแะ้ไม่ให้รู้ทันตรงที่มันไหลไม่ห้ามเพราะว่าห้ามไม่ได้ ไปแล้วไปอย่างนี้ครับให้รู้ทันที่หลวงพ่อแบบไหลมันมันไหลออกไปมากกว่าเออบางทีมันไหลเข้ามาข้างในก็ได้นะหลวงปู่เทศสอนจิตส่งนอกจิตส่งในใช้ไม่ได้ทั้งคู่หนึ่งบางครเห็นกิเลสเห็นโทสะเกินนี้จ้องแต้มมันนะมันค่อยๆปวดนะมันปวดนี้ลึกลงไปอีกแต่ตามตามไปดูตามไปเรื่อยๆหลวงพ่อไปท้างในนี่ก็เรียกว่าหลวงปู่กัน งั้นหลักของการปฏิบัติจะสรุปนะสรุปให้ฟังนิดหนึ่งการปฏิบัติจริงๆต้องรู้กายรู้ใจนะเอากายกับใจเป็นอารมณ์ของกรรมฐานค่อยรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ต้องไปรู้กายรู้ใจคนอื่นรู้ของตัวเองวิธีรู้ต้องรู้ให้ถูกแต่รู้ถูกเนี่ยต้องรู้ก่อนจะรู้เนี่ยอย่าอยากรู้ถ้าอยากรู้พวกเราคิดถึงการปฏิบัติเราอยอยากทันทีเลยอยากแล้วค่อยปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้ของจริงนะ แต่ต้องรู้คือสติต้องเกิดขึ้นเองเลยไม่ได้เจตนาไม่ได้มีความอยากให้เกิดเช่นพอพอมันจําได้ว่าโกรธเองเนี่ยพอโกรธครับสติเกิดเองไม่ได้มีความอยากไว้ก่อนมันจะดูไม่เจ้าไว้ก่อนอย่าดักรู้พวกเราส่วนใหญ่ชอบไปดักรู้คือไปรอดูว่าเมื่อไหร่อะไจะเกิดไม่ต้องไปรอดนะูให้มันเกิดแล้วก็ให้รู้เอานี่ข้อที่หนึ่งนะวิธีรู้ที่ถูกต้องก็ ค, คือตามรู้มันมันเกิดแล้วก็ให้รู้อย่าอยากรู้อย่าดักใหบไป้ก่อน อันที่สอง ร, ระหว่างรู้อย่าถลัำลงไปรู้อย่ากระจุยลงไปแช่อยากก่ า, ยาถลัำลงไปแช่ให้ตัดว่ า, ารู้อยู่ห่างๆเหมือเราเป็นคนวงนอกอยาก่าเข้าไปคนวงในเกี่ยถ้าเราเป็นเป็นคนวงในมีส่วนได้เสียด้วยแล้วก็ไม่ได้กินอ่ะงั้นให้เราดูเหมือนเราดูคนอื่นเห็นกิเลสเกิดขึ้นเหมือนเห็นกิเลสคนอื่นเห็นรูปที่เคลื่อนไหวเหมือนดูคนอื่นะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราดูอยู่เหมือนดูอยู่หา่างๆดูอยู่วงนอกนะ นี่ระหว่างดูต้องดูอย่างคนมบงนอกไม่มีส่วนได้เปลี่ยอรู้แล้วพอดูแล้วนี่ขั้นหลังรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแต่งเช่นโทสะเกิดขึ้นมีสติรู้ว่าโทสะเกิดอย่าบีบยาให้มันหายบางคนความโกรเกิดขึ้นนั่งดูเมื่อไรจะหายสีเนี่จิตกําลังมีโทสะทวงใหม่คึอเปลี่ยนให้โทสะตัวดบเพราะงั้นนั่งดูยังไงโทสะไม่ดับ ทำไมถึงไม่ไดับเพรจิตเป็นอาคุสนแต่ถ้าสติที่แท้จริงเกิดขึ้น จ, จิตใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่มีส่วนได้เสียไม่เปลีย่ยนกระทั่งกิเลสกิเลสนั้นจะดับทันทีเลยทันทีที่เกิดสตินะอาคุสนจะไม่มีเลยงั้นถ้ายังมีอากุศลแล้วนั่งดูอยู่ได้ต้องรีบรู้นะว่ารู้ยังไม่เป็นหรอกรู้ยังไม่ถูกนะเพราะงั้นก่อนจะรี้อย่าอยากรู้ระหว่างรู้อยากจะโจนเข้าไปอย่างำล้มเข้าไปอยา่าลืตัวเองนะ ให้สักว่ารู้รู้แล้วไม่แตกแต่นะเจออคูสนก็อย่าไปเปลี่ยนมันเจออคูสนไม่ต้องพยายาม ร, รับจับหลายคนแนละ้วพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจะมาถามจะรักษาความรู้สึกตัวให้ต่อนเนื่องได้อย่างไรจะ่าไปรักษาของไม่เที่ยงไม่เที่ยงได้อย่างไรรักษาไม่ได้หนะ้าที่ก็คือเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดมันจะดับไปทั้งสิ้นะสนนะดูตรงนี้ดูที่เห็นให้เห็นว่าทุก อ, อย่างเกิดแล้วดับไม่ต้องไปคิดรักษาสิ่งที่ดีนะเพราะของดีก็รักษาไม่ได้ จำได้ไหมถัดจากนั้นก็ถึงขัข้อที่สามข้อที่หนึ่งนะรู้ลงมาที่กาที่ใจัวเองขันะ้ข้อที่สองรู้ให้เป็นก่อนจะรู้แต่อยากรู้ระหว่างรู้อย่างถลางลงไปนะให้สักว่ารู้รู้แล้วไม่แกล้งแต่งนะไม่ต้องทั้งจะต้องกัน ร, รักษาหรือจะต่อท่านไม่เอาทั้งเลยถ้าจิตมันอยากรักษาทุกคนรู้ทําไม่อยากรักษาจิตมันเกลี่ยนนะผลลู้สอนรู้ว่าเปลี่ยนนะจิตจะได้เป็นกลาง นี้ถ้าทำตรงนี้ได้ก็มาถึงข้อที่สามทำเรือยๆไม่ใช่วันจะรู้ได้ครั้งเดียวยิ่งบ่อยยิ่งดีบางครูอาจารน์จะสอนสติปัฏฐานเขาสังเกตให้ดีนารมณ์ในสติปัฏฐานเนี่ยเป็นอรมณที่เกิดตลอดเวลาอย่างยืนเดินนั่งนอนที่เกิดทั้งวันหายใจเข้าหายใจออกเกิดทั้งวันสุขทุกข์เฉยๆโสมนาทโสมนาทเกิดทั้งวันจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลที่เกิดทั้งวัน งั้นท่านอารมณ์ที่เกิดตั้งวันมาให้เราไปกระตุ้นความรู้สึกตัวนะพอรู้ส้นเกิดสติก็เกิดอารมณส้นเกิดสติก็เกิดสุขเกิดสติก็เกิดทุกเกิดสติก็เกิดรูปยืนเกิดสติก็เกิดะะเพรางั้นอารมณ์กรรมฐานอันใดนหนึ่งนี่ก็ทำให้เกิดสติละนี้บางคนมาเรียนกรรมานผมใช้อย่างอื่นได้ไหมถไม่ใช้อะไรถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัวต่อไปเลยแต่พูดเหมือน ปีนึงมันจะร้องถี่ฟ้งแล้วเวลาที่เหลือที่ฟ้าไม่ร้องจันจะวิ่งมันมักน้อยไปหน่อยที่ท่านบอกว่าให้ตอบเรื่องอหมายถึงอันนี้หมายถึงรู้บ่อยๆไม่ใช่วันหึือครั้งเดียวปีละสองครั้งแล้วหรือสองนาทีนาฬิกาสางทีสื่อทีไมพอกินนะเหนือนาฬิกาก็สายหมด อย่างเรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยผ่านไม่หมดนะรู้ได้ทั้งวันหนีไปแลอะไรนะยังไม่เครียดเลยถ้าเครียดเนี่ยจิตเป็นอกุศลนะถ้าจิตเป็นกุศลสติเกิดขึ้นอย่างแท้จริงจะไม่มีความเครียดเพราะทันทีที่เรามีความรู้สึกตัวเราจะมีความสุขในปัจจุบันเพะเวลาเราปฏิบัติไปเราจะมีความสุขด้วยเพาจิตเราเป็นกุศล แต่ถ้าจิตเป็นอัปุสสนะจิตที่เครียดเนี่ยเป็นอัปุสนและจิตนะเกิดเกี่ยทกับหาวใจหัมูลจิตนะเามรู้ตแ่เกิดพร้อมกับที่พยายามเอ่าาได้แต่เขาคุณมันยังคอยเจ้าเอาไว้รู้สึกไหม ม, มันไปดับไว้ก่อนนะมั น, นยังไม่ตามรู้จริงรู้สึกไหมว่าเราไปรอรอดูมันใจยังแข็งแข็งรู้สึกไหมยังแข็งแข็งอยู่แต่ค่อยค่อยหัดใสนะ มันเาลงเยอะแล้วอย่างเมื่อกี้พยักหน้าลืมไปใช่ไหมเ น, น, นี่ยได้เกิดไหมว่าขอทราบครัมเมื่อกี้พยักหน้านะจิใจเราโล่ขึ้นมารู้สึกไหมในการรู้กายนี่นมีสองแบบนะแต่การรู้จิตมีแบบเดียวการรู้กายเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเมื่อกี้กายเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้นะเราจะเกิดความรู้สึกตัวขึนมาเกิดสตินะแต่ถ้าจะทํำวิปัสสนาตัวนี้ยังไม่ขึ้นวิพัสสนานถ้าวิปัสสนาจะรู้กายในปัจจุบัน จะเห็นกายอยู่ในปัจจุบันเลยแต่ถ้ารู้จิตเนี่ยจะรู้ไปตามหลังตลอดเช่นเมื่อกี้โกรธเขรู้ว่าโกรธเพราะสติเกิดใจได้โล่งความโกรธดับเราะฉะั้นทรงที่รู้จิตเนี่ยเราตามรู้ตลอดรู้กายเนี่ยเดีวแค่จะเป็นนิทานารู้ลงปัจจุบันรู้จิตเนี่ยรู้ตามหลังแต่ต้องตามแบบไม่มีอย่างอยู่นมาขั้นนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่ใช่ไม่ได้ มีอย่างหนึ่งหนะีไปแล้วอัตมาบอก เ, เพื่อให้หัดดูสภาวะนะว่าจิตที่หลงไปเป็นอย่างนี้จิตคิดเสลวิคิดเป็นอย่างนี้จิตที่จงใจเป็นเพ่งมันเพ่งนะ ท, ที่เจ้านะีมันเป็นการเพ่งเพ่งตัวอารมณ์ดาราลามมโกนิชชาเนี่ยที่เพ่งแต่เนะพี้เยเรียนอภิธรรมอะไเข้าใจงนะ่ายนี้พอเราไม่ไปเห็นตัวสภาวะเราทีดว่กาการหลงเป็นเพ่งไป็อย่างเนี้เป็นการเนรสนอที่ปัิศนาแล้วพลิกทิศเอา ไม่ได้เป็นเป็นรูปไม่ใช่ตัวเราสตีนี้เป็นเตจิก่ต้องเกิดกับกุศลใช่ไหมครับใช่ตตสตีมีสองนั้นนะแต่ไม่เกิดไม่เกิดไม่มีสตีแต่ว่าสตีเนี่ยมีสองชนิดสตีธรรมดากับสัมมาสตีสตีธรรมดาเนี่ยรู้อารมณ์ฝ่ายกุศลที่เป็นปัจจัดแต่มาสตีต้องรู้ว่าอารมณ์กุศลที่เป็นอารมณ์ประมาณรูปนาม ดังนั้นอย่างเราอ่านหนคสือธรรมะใจจดจ่ออยู่กับธรรมะจิตไป็กุศล น, นะแต่กุศล น, นี้ยังไม่ประกอบด้วยปัญญาแท่จริงเนี่ยงนีไปคิดอย่างนี้